แค่แต่เด็กจนแก่นี่ต้องพกมือถือหมดนั่นหมายความมีสัญญาณอันตรายอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาเพราะมือถือปัจจุบันเนี่ยมันมีแสงรังสีที่สูงมากในตัวมันเองซึ่งเมื่อเรายกขึ้นรับแต่ละครั้งมันหมายถึงเชื่อความร้อนเข้าสู่สมองและศีรษะของเรามากมายทําลายเยื่อเนื้อเยื่อของมันสมองได้โดยง่ายเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อโลกมันก็เพิม่มก็เทือนถึงถึงตัวเรา เข้าชีพประชิดตัวเราตลอดเวลาอย่างนี้เราไม่ปลอดภัยเลยในในโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นปัจจุบันนึงว่าคนทําไมจึงเจริญสติเจริญสมาธิปัญญาได้ก้าวหน้าช้ามากทั้งท่ า, ทามีความขยันอยู่มีความรักอยู่มีความศรัทธาที่จะทําอยู่แต่ทั้มันไม่ไปหน้ามาหลังเราเลยก็เพราะมีสิ่งที่รึงเราดึงดูดออกเอามาอยู่กับพระมานานแล้วฝึกพระเลยจะรู้ว่าอ๋อแต่ละคน พกอะไรไว้ข้างในใจมากมาย <c oughs> เราก็พยายามขยันแต่ในที่สุดแล้วมาก็ต้องปล่อยพระทิ้งหมดแหละเพราะว่าถ้ามีอะไรในใจที่เราออกเอาเข้อออกไม่ได้เราเสียเวลาก็เลยมาฝึกสําหรับคนมีศรัทธาจะเป็นใครก็ได้ที่อเชื่อฟังตั้งใจที่ศึกษาเรื่องนี้จริงๆนะดัง น, นั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญจึงอยากจะให้ลงรายละเอียดช่วยมัน ช่วยสติมันหน่อยแต่ลำพังสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกเสือะเลเดี๋ยวลรื่องมันก็ไปอีกแล้วแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความตั้งใจ <c oughs> มีความจริงใจมีความรักเรานึกถึงสมัยที่เรามีความรักเน่เราอยากจะเห็นหน้าเห็นตาเราอยากจะฟังเสียงเราอยากจะ อ, อยู่ใกล้นะสมัยที่เรามีความรักในตัวสติตัวความรู้สึกตัวนี้มอนกันให้เรามีความรักจริงๆ รักขนาดว่าจะตายด้วยกันได้คู่รักของเราเนี่ยคิดว่าจะตายด้วยกันได้มันก็ไม่ได้จริงอย่างที่เราคิดหรอกเดี๋ยวมันก็เบื่อกันนีไอตอนที่มันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันอายุสิ้นรักกันชอบกันเหมือนจะอยู่ด้วยกันตลอดไปพอไปอยู่ด้วยกันไม่เท่าไหร่มันก็เบื่อกันแต่ว่าตัวสภาวะธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งรักยิ่งสนิทยิ่งชอบยิ่งชิดยิ่งใกล้ยิ่งลึกยิ่งเป็นชีวิตเดียวกันได้ตายด้วยกันได้เพราะฉะนั้นคือ ตัวความรู้สึกตัวที่มีความพร้อมมีกําลังมีความพร้อมหมายความว่าหนึ่งมีความรักในการที่จะทําตลอดเวลาสองมีความเพียรทีนี้คําว่าความเพียรเนี่ยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำทำทำทำไปแล้วเรียกว่าความเพียรไม่ใช่นะเขาว่าความเพียรนี้เพียรในสี่สถานเพียรในสถานไหนบ้างหนึ่งมีความระมัดระวัง เพียรที่จะระมัดระวังสิ่งไหนที่มันจะทำให้เราขาดสติสิ่งไหนที่จะทำให้เราเผลอเลยสิ่งไหนที่เราจะทำให้เราคิดสิ่งไหนที่เราจะจิตใจที่จะส่งออกเนะ่ยพยายามระวังสิ่งนั้นนะอันนี้เพียร น, นะไม่ใช่ว่าเราจะมาทำสิ่งนี้ตอนที่มานั่งทำแล้วน่แม้เราจะลุกไปเนี่ยลองคอยเฝ้าดูตัวเองว่าใจเราจะออกไปตอนไหน เจะเผลอตอนไหนเนี่ยคอยเฝ้าดูนี่เรียกว่าความเพียรในสถานที่หนึ่งคือเพียรเฝ้าดูว่าดูกายดูใจว่ามันจะเผลอมันจะเลอมันจะหลงตอนไหนเนี่ยอันนี้เพียรอันที่หนึ่งลักษณะนี้มีอยู่ได้ตลอดเวลาเพียรได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะเผลอตอนไหน <c oughs> เพียรสถานที่สองแน่นอนว่าสติสมยยัมัยเราแล้วไม่สมบูรณ์เราต้องเผลอแน่นอนแล้วเราต้องลืมต้องหลงแน่นอน เมื่อมันรู้สึกว่าลืมหลงลืบเหลือไปเนี่ยต้องต้องตัดไอความหลงนั่นทีเข้ามาปัจจุบันได้ทันทีดึงจิตกลับมาทันทีเอาหลงไปแล้วเอาหลงคิดไปแล้วรู้สึกตัวทั้งๆหัวจุดเท้าชัดๆเนี่ยสถานะที่สองคือพยายามกลับดึงกายมาสู่ใจทันทีคือตัดความลืมหลงออกไปทันทีพยายามอยู่แล้วอยู่อีก มันตัดแล้วมันมันลืมมันหลงรู้สลับกันไปเรื่อยๆคือความจริงไม่ได้ให้รู้แต่ละเวลานั่นนะแต่ไม่ได้ให้หลงแต่ละเวลารู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างให้มันสมดุลกันให้มันสลับกันไปเรื่อยๆเหมือนขึ้นบันไดอะนะที่สูงๆใช่ไหมมันยกแล้วก็ลงยกแล้วก็ลงถ้าเราขึ้นในที่ชั้นๆถ้าไม่มีไม่มีขั้นบันไดเป็นไงเราจะรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยใช่ แต่ถ้ า, าว่าขึ้นที่สูงๆแล้ามีขั้นบันไดเราเหมือนได้พักตรงนั้นก่อนที่เราจะเหยียบขั้นต่อไป <c oughs> ยกเท้าขึ้นเหยียบยกขึ้นแล้วก็กลงลกยกขึ้นแลงเหมือนลมหายใจเข้าแล้วก็ออกถ้าเข้าไม่ออกมีปัญหาหรือเข้าเร็วออกช้าก็มีปัญหาเข้าช้าออกเร็วก็มีปัญหาเข้าก็เท่ากันออกก็เท่ากันตัวรู้กับตัวหลงเหมือนกันต้องสลับกันอยู่ตลอดเวลา จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามมันเป็นคู่บวกคู่ลบไฟเนี่ยเรามีคู่เดียวลองดูมันจะสว่างไหมเนี่ยมีแต่คูวบวกอย่างเดียวไม่มีคู่ลบไฟนี่ก็สว่างไม่ได้มีแต่คู่ลบคู่เดียวไม่มีคู่บวกไฟนี่ก็สว่างไม่ได้มันมีคู่บวกคู่ลบในการรู้สึกตัวเหมือนกันถ้าเราจะรู้รู้อย่างเดียวมันก็เกิดปัญญาไม่ได้เราจะหลงอย่างเดียวก็เกิดไปต้องรู้หลงสลับกันไปเรื่อยๆ แต่ประการสาคัญเรารู้ก็รู้ยาวพอเราหลงก็หลงยาวมันไม่สมดุลกันตรงนี้หรือว่าถ้ารู้เท่าไหร่หลงเท่านั้นหลงเท่าไหร่รู้เท่านั้นตรงนี้ถือว่าสมดุล น, นะทั้งรู้ทั้งห ล, ลงเพราะฉะนั้น อ, น, น, นอันที่หนึ่งความเพียรอันที่หนึ่งให้ระวังสองถ้ามันหลงต้องใช้อันที่สามต้องสร้างความรู้สึกตัวไว ตุ้นความรู้สึกตัวให้มีกําลังไว้เสมออันที่หนึ่งคือระวังใช่ไหมอันที่สองเมื่อแม้ระวังแล้วมันหลงไปพยายามระลึกรู้ทันทีสามสร้างตัวรู้ให้มีกําลังนี่ความหมายของความเพียรนะสร้างตัวรู้ให้มีกําลังอยู่เสมอนะแต่ก็ไม่ได้หมายความให้มัรู้ตลอดเวลาแต่ให้มันมีกําลังเอาไว้เขาว่ามีกําลังหมายความมันกลับมาไวความรู้สึกตัวเนี่ยสามารถดึงจิตกลับมาไวเพระจิตมันเลยปับ รู้สึกตัวทันทีจิตเพ้อไปเพราะรู้สึกตัวทันทีนี่เรียกว่าความรู้สึกตัวนั้นมีกาลังอันที่สี่เมื่อความรู้สึกตัวมีกำลังแล้วพยายามดูแลบริหารรักษาความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันชัดไว้เสมอตั้งแต่หัวจุดเท้าซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยตกเป็นท่าท้องความเผลอไฝตกเป็นทาทองความเคยชิน ตัวเป็น่านตุทความคิดมาช่วยชีวิตของเราอ่ ะ, อะเมื่อเป็นอย่างนั้นการที่จะรักษาตัวรู้บริหารตัวรู้ให้มันชัดเจนเสมอเนี่ยย่อมเป็นการยากแต่งานยากกเป็นงานที่ท้าทายนะเพราะฉะนั้นคำว่าเพียเพียนในสี่สถานหนึ่งจำได้ไหมหนึ่งเพียนตอนไหนคือระวังในสิ่งที่ เราเคยเผลอเคยหลงเคยลืมสมมุติเราจะยกขางเงี้ยแล้วก็คอยระลึกก่อนว่าเราจะยกยังไงอันนี้ระหวังละถ้าสมมุติว่าเผลอยกไปปับ๊บตั้งใจรู้ใหม่อันที่สองอันที่สามพยายามคอยระลึกทั่วตัวไม่ใช่ไปคอยที่จะไประลึกตอนที่มันจะยกเท่านั้นตั้งแต่หัวจุดเท้าขนาดนี้เป็นยังไงความรู้สึกตัวของเราเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดเมื่อย เพียรขัดยอกเจ็บขันแสบเน็บตรงไหนเนี่ยให้คอยสำรวจตรวจสอบอยู่เสมอเสมอแล้วอันที่สี่ทำให้มันชัดเจนจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจ ะ, ะเหลวซ้ายไหลขวาจะก้มจะเงยให้ชัดเจนหรือในช่วงใหม่ๆเนี่ยเราก็รู้สึกมันชัดเจนเอาไปนานๆไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงรู้สึกมันล้าสติมันไม่ค่อยเข้ามาแล้ว ให้การกำหนดมันล้ะพอมันล้าแล้วมันชักจะตาที่มันใสๆมันชักจะขุ่นมัวตาหนังตาที่มันคล่องแคล่วมันชักจะหนักนื่อสังเกตนะถ้าเขาคนที่ปฏิบัติเป็นเน่ยจะค่อยสังเกตเพราะฉะนั้นในภาษาท่านใช้คำว่ารีเฟลซหรือรีเซตตั้งสติใหม่เสมอทําให้สดชื่นคล่องแคล่วอยู่เสมอมันทํำใจจะเนืดถ้าเป็นคนสมัยพ่อแม่ผู้ญาติยายเขาของเราเมื่อก่อน ในสมัยที่เรายัางไ ม, ไม่ไม่ทันสมัยไม่ใช้แก๊สไม่ใช้ไฟฟ้าหุงข้าวเนี่ยเราใช้ฟืนใช่ไหมอ่าเราใช้ฟืนก็จะเห็นว่าเวลาติดไฟหนึ่งข้าวหนึ่งหุงข้าวเนี่ยพอไปสักพักเนี่ยเนี่ยพอมันมันไฟมันตั้งสักพักมันพุ่งพุุ่่งสักพักหนึ่งมันก็ค่อยเป็นไงค่อยดับรวมตัวนิดนิดพอถ้าเราไม่ใจใส่กลับมาอีกทีอ้าว ไฟดับไปแล้วก็ตรงมาแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ประมาทไปคอยนั่งเฝ้าให้ข้าวคอยเคียวทานคอยเอาทานออกคอยรักษาเปลวไฟให้มันตั้งอยู่เสมอสิบนาทีสิบห้านาทีข้าวสุกแกงเดือดละแต่ถ้าหากว่าเราติดไฟเรียบร้อยแล้วเห็นมันติดแล้วเราก็ไป ท, ทําธุระอ่าอื่นพเพลินลืมกลับมาเอาไฟดับหรือไม่ดับก็อ่อนไปใชแล้วแต่ละคนที่ไม่ใส่ใจ ใ, จในเรื่องอื่นใส่ใจได้ เตาไฟอย่างเดียวก็ค่อยเขียวค่อยปรับเรื่อยๆมันก็ไวเหมือนกันถ้าหากว่าเราพยายามตั้งความรู้สึกตัวให้ชัดๆไว้เสมอแล้วค่อยปรับอยู่เสมอไม่ให้มันอะไรล่ะคือไม่ให้มันลดระดับที่จะเผลอบ่อยๆไอการที่มันกําลังของสติมันอ่อนลงก็คือมันเริ่มเผลอไปบ่อยๆนั่นเองหรือมันไม่ชัด การปรับให้มันชัดเสมอเนี่ยอันนี้เรียกว่าความเพียร น, นะเรียกว่าความเพียรซึ่งเราคอยสํารวจตัวเองว่าเราขาดตัวไหนหนึ่งเราระวังหรือเปล่าสองเมื่อเผลอไปแล้วเราพยายามแก้ไข อ, ออกไปหรือเปล่าความเผลอตัวนั้นนะสามเราคอยระลึกตัวทั่วพร้อมหรือเปล่าสสามารถรักษาความรู้สึกตัวให้ชัดไว้เสมอหรือเปล่าเนี่ยคอยคอยตรวจสอบอันนี้นะ คอยตรวจสอบให้เหมือนกับเตาไฟอ่ะคอยดูแลคอยรักษาให้มันดีอยู่เสมอทีนี้ต่อมาเมื่อมีความรักความอยากอะทกทสนุกที่จะทําแล้วมีความเพียรถูกต้องแล้วทีนี้มันก็มาเรื่องของตัวความรู้สึกตัวที่ที่ถูกต้องเป็นยังไงความรู้สึกตัวที่ถูกต้องประการที่หนึ่งรู้ที่สิ่งที่เห็นได้ชัดๆก่อน ที่เราจงใจที่จะทำขึ้นมาก่อนให้รู้ในส่วนนี้เพราะนั้นในขณะนี้ที่เรานั่งเนี่ยส่วนไหนที่เห็นได้ชัดยกมือใช่ัหมเห็นได้ชัดแล้วก็มีการอันที่สองขยับเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยขยับแขนขยับขาเปลี่ยนอิเลียบทเห็นได้ชัดไหมชัดนะอันที่สามในอิเลียบท ใหญ่ๆเนี่ยมันมีอิริบทเล็กซ้อนอยู่เช่นอิริบนั่งเนี่ยต้องเปลี่ยนดูดีมันมีกี่นั่งมีตั้งสิบกว่านั่งนะมีเสื่งสิบกว่าท่าเราเปลี่ยนได้สักกี่ท่าแต่ละครั้งนะอันนี้เรายังใช้ไม่ไม่เยอะพอนะอ่านั่นงคาตาบาดก็คัตาบาดอยู่นะเป็นชั่วโมงมันก็แช่มันก็หนักดินั่งผ้าเพียวกับผ้าเพียวกันเป็นชั่วโมงความจริงแล้วเนี่ย ถ้าเป็นไปได้คนขยับทุกห้านาทีหรือสิบนาทีเพื่อที่จะปรับเอาตัวบริหารบริหารอะไรบริหารไตรลักษณ์เพราะความที่มันเจ็บมันขัดมันปวดมันเมื่อเยเย็นร้ อ, อนอ่อแข็งมื่เริ่มเข้มขึ้นเนี่ยด้วยอํานาจของอ น, นิจจังทุกขังน้าตามันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกมันอแตกดับแล้วกลับมาเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นทุกใหม่แตกดับใหม่เปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ใครจะรอบจัดหรือไม่จัดคนที่ เปลี่ยนแปลงบ่อยหน่อยก็คือเจ็บไว้ปวดไวหน่อยหนึ่งคนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เจ็บช้าปวดช้าหน่อยแล้วแต่รอบของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของใครจะจัดก่อกันอรอบมันจัดถึ้นมาเพราะว่ามันไวเปลี่ยนแป๊บเอาเดี๋ยวก็เจ็บไปแล้วเปลี่ยนแป้บเดก็เจ็บไปแล้วนี่เขาเรียกว่ารอบมันจัดคนนี้เขาเรียก ว, ว่าคนอ่อนรู้สึกอ่อนไหวง่าย นะเรเียวกว่าเซนซิทีฟภาษาอังกฤษคือ sensitive คือหมายความว่ามันมันเจลบไปมันปวดไวแต่สําหรับคนที่มีโครงสร้างร่างกายเข้มแข็งก็เปลี่ยนที่ก็ได้นานไม่ค่อยเจ็บ่ค่อยปวดเท่าไหร่หรือบางคนที่ปฏิบัติได้สมาธิได้อารมณ์ด้วยแล้วนั่งเบาสบายได้นานไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยปวดหรือบางคนที่เพิ่งมาจิตใจยังรับไม่ได้จิตใจยังไม่นิ่งจิตใจยังหงุดหงิดวอกแวกอยู่เวทนาทางกายมันก็ เปลี่ยนไวอันนี้คอยสังเกตนะเพราะฉะนั้นสติระดับที่หนึ่งดูร่างกายในส่วนหยาบๆยาบเห็นได้ชัดแด้ในส่วนหยาบๆยาบเห็นได้ชัดก็คือการสร้างจังหวะให้เป็นจังหวะอย่าทำปอกแป๊กปอกแป๊ ก, ปกนะแต่ลักษณะที่การสร้างจังหวะช้าเร็วเนี่ยบางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขเช่นว่าเรานั่งง่วงเนี้ยเราจะยกมือช้าๆนี่ไม่ได้หรอกมันง่วงหนักข้อีกก็ต้องยกมือไวๆแรงๆ ที่ทำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวทสังนะอันที่อันที่หนึ่งคือดูการเคลื่อนไหวทุกส่วนให้ชัดเกินเข้าไวในรยบทสอ่รีบทยืนอันนี้ก็มีอยู่ท่าเดียวนะรีบทเดินที่เราเดินกันในบางครั้งก้าวหน้าถอยหลังแต่รีบทที่เราใช้เยอะที่สุดคือรีบทนั่งเพราะนั้นรีบนั่งจึงมีการปรับเปลี่ยนเยอะ มันมีถึงเกือบเอามานับได้นะเช่อนอามาก็เข้าใจในในการเปลี่ยนยีบทอย่างเป็นลําดับนี่แหละสมัยเก็บอารมณ์กับหลวงพ่อเด้ทําไปห้าหกวันแล้วมันยังจิตใจมันแส่ใสกระสสกระซับกระสายอยู่เนี่ยทําไงเราก็เลยมาตั้งในการดูตัวเองเลยว่าตั้งแต่ละท่านเนี่ยเริ่มตั้งแต่พระเพียบพระเพียบซ้ายได้กี่นาทีพระเพียบด้านขวา ได้กินทันทีสองพักเพือขวายสนั่งขรส a m าดชั้นเดียวสี่นั่งขรส a m าดสองชั้นห้านั่งขรส a m าดสามชั้นหนั่งทับส้นเจ็ดนั่งคู่เข่าแดนั่งชั้นเข่า9นั่งเหยียดขา10นั่งเก้าอี้เห็นไหมบริหารการนั่งในหมุนไปอย่างงี้ปรากฏว่านั่งแต่ละครั้งได้สองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าขึ้นไป ในแต่ละท่านั่งน ะ, ะก็ปรากฏว่าจิตมันก็นิ่งเพราะว่าเราเราคอยกําหนดรู้อยู่ว่าในช่วงที่เราก่อนที่จะเปลี่ยนท่านั่งแต่ละท่านเนี่ยคอยรู้ว่าคอยดูว่าไอ้ตัว <c oughs> ตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันตายระดับเข้มขึ้นอย่างไรและก่อนที่จะเปลี่ยนไปสู่ท่าใหม่เนี่ยคอยรู้ว่าไอ้ความเข้มของสติที่จะเปลี่ยนลงมาระดับปกติมันเปลี่ยนลงมาอย่างไรไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บเปลี่ยนปุ๊บั๊บปุบป๊บปับ๊บไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ ท่านั่งของเราก็ไม่ได้นานนะตรงนั้นคือการบริหารท่านั่งตั้งแต่ท่านั่งรีงซอยออกไ ป, ปได้ถึงสิบท่าจนกระทั่งว่า เ, ออเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วส่วนแข้งสวนขาเนะี่ยมันพอเบาได้แต่ว่าหลังมันชักขัดเอวมันชักขัดเพราะว่าท่านั่งมันก็อยู่ในลักษณะไม่ได้เปลี่ยนหลังเปลี่ยนเอวด้วยมันอยู่ในท่าเดิมก็ใช้ เปลี่ยนนี้บทใหญ่มาเป็นท่ายืนยืนก็ยืนไม่ใช่ยืนนิ่งนิ่งยืนไปสักพักหนึ่งมาเริ่มตึงที่ขาก็ซอยหน้าก้าวหน้าทีก้าวหลังทีขยับพอมันผ่อนคลายก็เอามาเดินเอามาสร้างจังหวะจนกระทั่งยืนไปห้านาทีสิบนาทีมันตึงแหละเพราะอะไรเพราะรอบของนิจังทุกขังตามก็หมุนไปตามรอบของมันนั่นแหละเรา ก, ก็บริหารโดยการเปลี่ยน อนนีจังทุกขังนาตาที่เราไม่มีสติมันก็เปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันเราก็ต้องบําบัดแบบสัญชตาตญาณแต่พอเรามีสติในการกำลังรู้ช่วยมันเปลี่ยนไอตัวการเคลื่อนไหว บ, บําบัดอันนีจังทุกขังนาตานนั้กลายมาเป็นสติสมาธิปัญญานี่ตรงนี้สําคัญนะสำคัญตรงที่ว่าเราแทนที่จะให้ทุกขเวทนาบังคับเราให้เราเปลี่ยนโดยสัญชตาตญาณ แต่พอเรามีสติคอยะระลึกรู้เข้าไปลําดับการเคลื่อนการไหวนะเม่ใหญ่มองหน้าไกลๆมองไปไกลๆนั่งกุมหน้าเดี๋ยวมันหลับนะพอเราคอยกำหนดรู้การเคลื่อนการไหวตรงนี้ตั้งใจเนี่ยนะลงรายละเอียดนะทำไมตั้งใจก็จะจะฟังไว้รู้เรื่องเมื่อเราลงรายละเอียดตรงที่ว่าลําดับการ เปลี่ยนแปลงของแต่ละท่าแต่ละจังหวะให้เห็นทุกเวทนาที่มันคลายไปและเวลาเปลี่ยนไปท่าใหม่ให้เห็นทุกเวทนาที่มันเพิ่มขึ้นจากท่านั่งปกติไปสู่ท่ า, อา พ, อ พ, อพอทนได้จนกระทั่งทนไม่ได้หยาบแล้วพอหยาบทนไม่ได้ที่จะเปลี่ยนใหม่ก็ให้รู้พอจะเปลี่ยนไปปับเริ่มยกขาไหนเริ่มยกท่าไหนเวลายกแล้ว ไอ้ความรู้สึกที่มันเข้มเข้มเมื่อกี้มันหายไปอย่างไรจนกลับมาสู่ปกติขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เรียกว่าการใช้บริหารอันที่สองบริหารเวทนาอันแรกคือบริหารการเคลื่อนไหวในยืนเดินนั่งนะยังไม่ต้องนอนนะนอนเอาไว้ใช้กลางคืนพอ ยืนเดินนั่งสลับกันแต่ละยืนเดินนั่งก็มีรายละเอียดในแต่ละท่าและในรายละเอียดแต่ละท่านั้นการที่มันจะทุกเวทนามันเข้มขึ้นไปมันลดลงมาปกติเราก็เอาเอาเวทนาเข้ามามาดูกันเข้มของเวทนาขึ้นลงอย่างนี้อันนี้คือดูในความรู้สึกตัวในขั้นลึกในขั้นรายละเอียดต้องดูได้แ่ละระดับนี้ในส่วนที่เป็นกายนะแต่ว่ารู้สึกอย่างเดียวรู้เปลี่ยนไปรู้ก็เปลี่ยนไปรู้ ก, ก็เปลี่ยนไป มันรู้แต่ว่ามันไม่ลึกมันไม่ละเอียดมันก็ทําให้ความหนักแน่นไม่มีความรู้สึกตัวที่ชัดๆไม่พอก็ได้มาสังเกตนะถ้าคนไหนทาตามนี้รู้สึกจะไปได้ไหวแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ด้วยความเคยชินนะี่ยนะศรัทธาไม่เพียงพอความเพียรไม่เพียงพอนะมันก็อยู่ในระดับเดียวจังหวะเดียวเขาเรียกจังหวะเดียว เกียร์รถเนี่ยเขาต้งมีถึงสี่ห้าจังหวะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่มันถึงจะไปได้เหมือนกั น, นการปฏิบัติมันก็ต้องมีหลายจังหวะจังหวะหนักจังหวะเบาจังหวะเร็วจังหวะช้าอก้าวหน้าถอยหลังแม้แต่รถแรงรถอ่ะเขามีถึงหนึ่งสูบถึงแปดสูบหนึ่งสิบหกสูบหนึ่นเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความเข้มข้คนความเข้มแข็งความแรงความละเอียดให้สูงขึ้นรถมันก็เร็วขึ้ น, ร น, รนแรงขึ้น การปฏิบัติก็เหมือนกันเราเพิ่มจากรู้จังหวะเดียวให้เป็นรู้สองจังหวะแทนจะรู้จังหวะคลิกแป๊บดูจังหวะเดียวก็ค่อยๆคลิกค่อเห็นลำดับการเคลื่อนไหวมันลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าหลายจังหวะหลายระดับแล้วเวลามันเข้มพักจะเปลี่ยนกลับมาสู่ปกติก็ดูจังหวะที่มันลดลงคนนี้เขาเรียก ว, ว่าหลายลูกสูบถ้าเป็นลถนะ่ะมันก็มีกําลังมันก็เร็วความเร็วสูงการปฏิบัติมันก็ไวตั้งแต่ครุขี่ก็นักปฏิบัติมาเนี่ยโอ้มาเขายามเน้นเรื่องนี้มาตลอด แต่ว่าสำหรับคนใส่ใจเอาใจใส่ไปได้ไวมากแต่สำหรับคนที่ไม่ใจใสเหมือนก็เหมือนเดิมอ่ะสามปีห้าปีความหงุดหงิดก็ละไม่ได้ความขี้เกียจก็ละไม่ได้ความเห็นแก่ตัวก็ละไม่ได้เหมือนเดิมเพราะศรัทธาไม่พอไม่มีศรัทธาที่จะทำตามฟังอยู่รู้เรื่องอยู่แต่ไม่มีศรัทธาก็ต้องไปปรับตรงนั้นนะทีนี้พอเราปรับ กายเป็นในส่วนหยาบกลางละเอียดเป็นมาปรับระดับเวทนาในการปรับการเปลี่ยนเป็นทุทรุนอยู่อยี้ก่อนแต่้งแต่เมื่อคนไหนที่มีสติ ส, สมาธิปัญญาเข้มแข็งแ ก, ะกะ่ก้าก็จะรู้ลุ่นามภายในสามวันแค่นั้นเองเอาว่ารู้รุ่มนมเมื่ได้อะไรมากก็คือรู้กายรู้ใจเห็นชัดเห็นกายเห็นใจชัดรู้ความรู้สึกตัวเบาสบายแล้วก็ประครับประคองความรู้สึกตัวนี้ได้นานขึ้น แคนั้นเองประคับประคองความรู้สึกตัวแล้วก็สัมผัสได้กับการเคลื่อนไหวของกายของอิเดียบท่างๆได้ชัดพอมาเข้าใจรูปนามครั้งแรกเนี่ยพื้นที่เราเดินเนี่ยมาเดินทุกวันทุกวันไม่เคยรู้ว่ามันตรงไหนมันสูงมันต่ําเดินด้วยความเคยชินพอมันได้อารมณ์รูปนามวันนั้นปั๊บเนี่ยเดินไปรู้แล้วอ๋อตรงนี้มันสูงตรงนี้มันต่ําตรงนี้มันลุ่มตรงนี้มันดอนมันมันรู้เลยมันรู้ชัดขนาดนั้น เพราะฉะนั้นการสัมผัสอารมณ์รูปนามหมายถึงว่าการสัมผัสในการเคลื่อนไหวของเราเองชัดขึ้นกว่าเดิมต่อเนื่องขึ้นกว่าเดิมนานขึ้นกว่าเดิมความคิดปรุงแต่งเข้ารู้ชัดกว่าเดิมเมื่อก่อนมันไม่รู้เข้ามาอย่างไรเวลาบดมันจะหายไปมันก็หายไปเลยไม่รู้มันหายอย่างไรเห็นการเข้าการออกของความคิดไม่ชัดแต่หลังจากเราสัมผัสรูปนามเราเห็นการเข้าการออกของความพิรละอารมณ์ได้ชัด นี่เป็นสัญญาณว่าเอออารมณ์รูปนามปรากฏแล้วแต่ว่าบางคนมีความเพียรสูงต่อเนื่องยาวเนี่ยการเห็นรูปนามอาจจะมีปรากฏการที่ชัดกักนวกว่านี้อีกบางคนเกิดปีติน้ำหมูน้ำตาไหลบางคนเกิดปรากฏการที่เบาสบายเป็นพิเศษเห็นการแยกรูปแยกนามได้ชัดเจนพวกนี้เขาเรียกมีความเพียรสูงได้เห็นกันเห็นการแยกเห็นความรู้สึกตัวเนี่ยได้ต่อเนื่องได้ชัดเจน มันก็จะมีความมั่นใจสูงกว่าคนที่รู้ธรรมดาคนที่รู้ธรรมดารู้ดำลําดับเนี่ยที่ไม่มีปรากฏการณ์เหล่านี้รับรองก็จะมักจะไม่ค่อยมั่นใจนะกลับไปหลงหลือเหมือนเดิมก็มีตอนนั้นแต่ว่าอารมณ์รูปนามเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่จะให้รู้สึกตัวได้ยาวที่จะให้รู้สึกตัวได้ชัดเท่านั้นเองเนีแต่ถ้าไม่บริหารไม่รักษาไม่คอยกํากับไม่เอาใจใส่เดี๋ยวก็หลงหลือเหมือนเดิมกลับไปสู่ที่เดิม เพราะนั้นอารมณ์รูปนามจึงแปรลงที่เป็นกุปธรรมอยู่มันกําเริบได้อยู่ถ้าไม่บริหารไว่รักษานะเห <c oughs> มือนกับต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยอมันยังไม่มันยังไม่ติดพอใจใส่รักษาสักระยะหนึ่งต้นต้นไม้เริ่มติดมันเริ่มแตกใบเริ่มอรู้เป็นสัญญาณว่ามันติดแล้วแต่ว่าเพลอไม่ได้นะ เผือกลับไปเหิวเฉยเลยเผือไม่ไม่ได้ลดน้ำไม่เอาใจใส่กลับไปเหิวเหมือนเดิมรีบรีตายเลยนะอันนี้คือสัญญาณบอกก็คือรู้สึกเออตายสว่างขึ้นรู้สึกมีพลังขึ้นเข้มแข็งขึ้นรู้สึกมีความรักในการที่จะรู้สึกตัวมากขึ้นเนีย่ยเป็นสัญญาณของอารมณ์รูปนามทั้งนั้นแหละแต่บางคนก็ไปไวถึงไปเป็นอารมณ์ติดวิปัสสนูเลยก็มีอันนี้ก็ลงในรายละเอียดนะอันนี้ใน บริหารอารมณ์ที่เป็นกายตามดูกายทั้งหยาบกลางละเอียดเป็นบริหารในส่วนที่เป็นเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงทั้งหยาบกลางละเอียดเป็นแล้วก็คอยเลือกรู้มามันหยาบตอนไหนมันละเอียดตอนไหนเวลาเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกอย่างไรเนี่ยบริหารตรงนั้นเป็นไม่นานเข้าใจมลงรูปนามตามที่ ม, มาฝึกมานะฝึกพระฝึกยมมานะ นี้บางคนผ่านจากรูปนามไปสู่อารมณ์ ป, ประมัดได้เลยคนที่มีศรัทธาแรงคือหมายความมุ่งมั่มนทําความเพียรต่อเนื่องเก็บอารมณ์โดยเฉพาะในวิธีการของหลวงพเทียนเมื่อเข้าใจเมื่อเห็นสัมผัสอารมณ์รูปนามเนื้แล้วก็จะต่อไปที่การเก็บอารมณ์คือหมายความว่าเข้าเก็บตัวเลยสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันยี่สิบวันเหมือนกับอะไรเหมือนกับไก่ที่มันไข่ไข่จนรู้สึกมันครบแล้วเนี่ยมันจะฟัก ลักษณะฟักไข่นี่ยว่าเก็บอารมณ์ในส่วนที่มันไข่ไข่ไขนี่หมายความว่าถัาเปืี่ยอารมณ์ก็เหมือนอารมณ์รูปนามมันคลอดแล้วความรู้สึกตัวมันรู้สัมผัสได้แล้วมันไข่แต่ไข่นั้นถ้ามันมีการฟักเนี่ยมันเป็นตัวไม่ได้น่ะเหมือนกันอารมณ์รูปนามถ้ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่มีการเก็บอารมณ์เนี่ยมันมันเป็นไก่มันจะเป็นอารมณ์ปรามัดไปไม่ได้น่ะ อนนอันนี้มันเป็นหลักของธรรมชาตินะไม่ใช่เรื่องอะไรที่สลับซับซ้อนเลยมันเป็นเรื่องวิวัฒนาการตามธรรมชาติรูปมันก็มีวิวัฒนาการตามธรรมชาติของมันน้ำก็เหมือนกันถ้าทําถูกต้องตามกฎกติกาแล้วมันก็มีวิวัฒนาการตามธรรมชาติของมันส่วนวิวัฒนาการตัวนี้ก็คือมันจะต้องมีขบวนการเช่นเราอยากจะกินไข่ก็เอาไก่มาเลี้ยงก็ไข่ไข่ขึ้นมา การแล้ ว, ล ว, ลวกินแต่ไข่นี่มันก็ได้อารมณ์รูปนามแต่ว่ากินไข่แล้วไม่พอเดี๋ยวไข่หมดแล้วไม่ได้กินอีกเอาเลี้ยงปล่อยให้มันฟักเพื่อให้เป็นไก่ออกมาเอา อ, อารมณ์รูปนามยังไม่พอเ ม, ม, มื่ออารมณ์มากระทบมันก็ยังหลุดได้อยู่ยังโลบยังโกรธยังหลงได้อยู่ไม่ค่อยมั่นคงก็พยายามเก็บอารมณ์บ่อยๆนั่นก็หมายความว่าพัฒนาอารมณ์รูปนามให้เป็นประมาทในช่วงอารมณ์รูปนามจะเป็นปรมาทนี่เป็นอย่างไรตรงเนี้ยต้องผ่านอารมณ์หลายอย่างจะต้องรู้ ในอารมณ์รูปนามนี้เราจะต้องรู้ว่ารูปธรรมนามธรรมเป็นอย่างไรอันนี้รายละเอียดของมันนะนี่ที่หมายถึงตัวพูดถึงในฝ่ายรูปในฝ่ายรูปวิวัฒนาการคืออาศัยการเฝ้าดูการสังเกตทางกายการเฝ้าดูการสังเกตความรู้สึกที่เป็นเวทนาให้ชัดๆต่อเนื่องดูในส่วนรูปให้ชัดๆนี้ถ้าหากว่าเราไม่ลงลึกในรายละเอียดอย่างนี้เนี่ย ของมนุษย์เนี่ยมันมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นมันเมื่อมีสติปัญญามันจะรู้อะไรแบบตื้นๆนึกนขินมันไม่ชอบมันก็หาเรื่องคิดหาเรื่องสงสัยไปเรื่อยอะไรต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อใจไปต่อไปเป็นอย่างไรเนี่ยตอนั้นเมื่อเราลงลึกในรายละเอียดความหายสงสัยมันก็คือหมายความว่าความสงสัยเราได้รับคําตอบดูตัวนี้มันจะเห็นตัวนี้นะมันจะได้รับคำตอบด้วยตัวเอง การที่ปฏิบัติแล้วสงสัยไปถามครูบาอาจารย์หรือไปถามคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบของเราไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงแต่การที่เราปฏิบัติไปเข้าใจด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นคําตอบที่เราเห็นเองมันก็จะหายสงสัยเองเพราะข้อสงสัยเนี่ยไม่ได้หายไปเพราะไปถามครูบาอาจารย์หรือไปได้อ่านหนังสือไม่ใช่ความสงสัยประเภทนั้นหายไม่ได้แต่ความสงสัยที่มันจะหายได้ตรงเรื่เรารู้เองเห็นเองได้คําตอบด้วยตัวเอง เพราะนั้นในคุณธรรมของพระโสดาบันมีอยู่ข้อหนึ่งวิจิกิจฉาสามารถตัดวิติกิจฉาตัดความสงสัยนะ่ยความสงสัยนะั้นไม่ได้ไปได้คำตอบจากผู้อื่นแต่ได้คำตอบจากตัวเองอการได้คำตอบจากผู้อื่นเนะ่ยไม่ไปตัดข้อสงสัยไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นข้อสงสัยที่เรา ไม่ได้เห็นไม่ได้คําตอบด้วยตัวเองเอาละทีนี้ในอารมณ์รูปนามที่จะทําให้เราเห็นคือเห็นรูปธรรมนามธรรมคือเห็นอาการของกายเนี่ยธรรมชาติของกายได้ชัดขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นกายกับใจมันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเวลากายเจ็บใจมันก็เจ็บเวลากายใจเจ็บกายมันก็เจ็บอ่ะ คือหมายเขาว่าเมื่อก่อนเนี่ยขามันปวดมันไม่ใช่ขาปวดเราปวดเวลาปวดท้องไม่ใช่เราไม่ใช่ท้องมันปวดแต่เห็นเราปวดท้องเห็นไหมคำว่าเราเนี่ยมันคืออัตตาอัตตามันไปปวดซะแล้วใจมันไปปวดซะแล้วบางทีกายมันหายไปแล้วแต่ใจไม่ยอมหายใจมันกลัวที่จะปวดอีกอ่นะเห็นไหม กายกับใจมันมันพันกันอยู่อย่างนี้แต่พอไปเห็นรูปรูปนามแล้วเนี่ยอ้เป็นเรื่องของกายก็แก้ไขเรื่องกายไปใจไม่จําเป็นต้องปวดด้วยใจไม่จําเป็นต้องไปทุกข์กับไอสิ่งที่เราปวดด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็เลยเห็นรูปธรรมนามธรรมหมายว่านามมันมีหน้าที่รู้มันก็ทําหน้าที่อย่างหนึ่งใจมันมีหน้าที่จะเป็นทุกข์อันนี้จังทุกขังหน้าตาก็เห็นมันทํางานอีกอย่างนึงก็เห็นสองอย่างเริ่มเห็นสองอย่างฉันเรียกเห็นรูปธรรมนามธรรม หลวงพ่อเรียนทูช้ชดว้วยเห็นรูปมันทำงานเห็นนามมันทำงานรูปมันหน้าหน้าที่ของรูปที่มันทำงานอะไรบ้างรูปอะ่ะรู้ไหมว่ า, ห น, า, า, นานหน้าที่ของรูปมันทำงานอะไรบ้างเออเนี่ยหน้าที่รูปนะทำงานสามอย่างคือที่ไหนมีรูปมันต้องทำงานสามอย่างรึกออกไหมทำงานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่าอ น, นิจจัง เมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็ให้เกิดความไม่สบายเรียกว่าทุกขังและความไม่สบายนี้มันแก้ไขได้มันดับเองได้เรียกว่าอนัตตาเนี่ยทำงานสามอย่างแค่ น, นี้รูปทุกรูปไม่ว่ารูปกลางรูปรูปละเอียดรูปหปยากรูปเห็นได้หรือเห็นไม่ได้มันทํางานแค่สามอย่างหน้าที่ของรูปคือต้องทํางานตามหลักกฎของสตรลักษณคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่าเมื่อกายมันทํางานตาม ลักษณะของนิจังทุกขงังนาตาเขาเรียกว่ารูปทุกอ่ารูปทุกแต่ถ้าเรายังไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญปัญญาพอรูปทุกนามเป็นไงก็ทุกด้วยเขาเรียกว่านามทุกเห็นรูปทานามทามรูปรูปนามทุกอย่างนี้แต่พอเราเข้าใจความรู้สึกตัวดูรูปดูนามเป็นก็เห็นรูป เป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นเราเป็นทุกข์แล้วอ๋อลูปเป็นทุกข์จะแก้ไขยังไงก็บำบัดไปตามหน้าที่ของรูปอย่าให้เอาจิตไปคิดว่าเออเราเป็นทุกข์แต่ขามันปวดมันก็เรื่องของขามันทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้ก็แก้ไขมันไปไม่จําเป็นต้องไปหงุดหงิดลำคานกับมันใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นขาเราเป็นทุกข์บ่อยๆโดยที่ไม่มีสติไม่มีความรู้สิริวเข้าปไปงีหงุดหงิดลาคาญเบื่อหน่ายขี้เหยียดผ่านคิดนอกเรื่องไปเลยนี่ เราไม่เห็นลูกทุกน้ำจึงเป็นทุกข์ด้วยไงแต่พอเราเห็นลูกเป็นทุกข์อ๋อปวดขาหรือขยับชนิดนึ่งก็หายแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องราคาญกับมันอ่ะปวดหลังนิดนึ่งก็ตัดหลังไปก็ไม่จําเป็นต้องเบื่อหน่ายกับมันนี่เขาเรียกว่าเห็นรูกเป็นทุกข์นามไม่จําเป็นต้องเป็นทุกข์ด้วยแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจรูปน้ำเห็นลูกเป็นทุกข์น้ำก็เห็นลูกเป็นทุกข์น้ำก็เป็นทุกข์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นลูกน้ำเห็นลูกทุกน้ำทุกเห็นลูกกับน้ำทํางานต่างก มันก็ทุกก็ไม่ล่วไหลหากันไม่แทรกซึมหากันเริ่มเริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วแต่ไม่ใช่แก้ได้ทุกครั้งนะเพอาเผลอมันก็เห็นว่ากูเป็นทุกข์อีกกูปวดอีกแต่พอระลึกได้ก็ยแยกกันออกอันนี้รูปนามมันก็สลับไปสลับสลับเผลอสลับลืมอยู่อย่างนี้อยู่แต่ถ้าขยันทําความเพียรไปเรื่อยๆการรู้การเห็นนี่ก็ค่อยชัดเจนขึ้นนะนทูกทุกนามทุกพอเห็นรูปทุกนามทุกบ่อยเข้าบ่อยเข้าไปเห็นอะไร เห็นขบวนการของทุกได้ชัดขึ้นขบวนการของทุกนี่ก็คืออานิจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเห็นอานิจังทุกขังอนัตตาคือเห็นขบวนการของทุกได้ชัดขึ้นดฉงนั้นการบริหารดูเวทนาก็ดูอะไรก็ดูอานิจังทุกขังอนัตตานี่ยแต่เนื่องจากเป็นภาษ า, าศาสนาภาษาปริยัตจึงไม่ได้เอามาเน้นย้ำกันบ่อยแต่ว่าพพูดถึงว่าเออ ความปวดมากปวดน้อยความสบายไม่สบายเป็นภาษาที่เข้าใจกันง่ายไอ้ความจริงตัวแท้ก็มือภาษาปริยัตก็คืออะไรก็คือไตรลักษณ์นั่นเองคืออนิจจังทุกขังนันตานั่นเองใช่ไหมเนี่ยนี้เรียกว่าบริหารเข้าไปตรงนี้เห็นอนิจจังทุกขังนันตาตามความเป็นจริงเมื่อก่อนนะเห็นรูปเห็นนามนี้เป็นเราเป็นเขาพอมาเข้าใจอารมณ์นี้เห็นรูปเห็นนามนี้เป็นาธาตุของ อนนีจังทุกขังองนาตาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไอ้ความพอมาเห็นตรงนี้มันก็ถอดความเป็นเราเป็นเขาถอดความสําคัญมั่นหมายตัวเองที่มันหนักมันหนืดมันเหนียวมันแน่นมันลึกมันก็ค่อยเบาบางลงเหมือนน้ำหลวงพอเทียนถ้ยกไวๆเหมือนน้าสีเต็มกระป๋องใช่ไหมอ่าเหมือนน้าสีเต็มกระป๋องทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นกระป๋องอยู่มันโดยที่ไม่ได้เจียโปนเพราะเขา้มมันก็เข้ม แต่อยากจะให้มันหมดสภาพไปไงเติมน้ําลงไปเติมอะไรลงไปที่มันทําให้มันเจือจางฉันใดก็ดีความสําคัญมั่นหมายที่เราเข้มข้นเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนน้ําสีเต็มกระป๋องแต่พอเติมความรู้สึกตัวเข้าไปแทนบ่อยเข้าบเข้าเหมือนน้ําเปล่าความรู้สึกตัวนี้ก็จะไปเจือจางความสําคัญมั่นหมายตัวตนของเรามากขึ้นมากขึ้นก็ทําทให้ความสําคัญมั่นหมายว่าตัวเราของเราน้อยลง น้อยลงเมืม่อเวลาการกระทบสัมผัสปับ๊บแทนที่มันจะไปโดดงับจับเอาว่าเป็นของเราเลยมันก็รู้สึกตัวรู้เฉยๆได้ในบางครั้งได้ยินเฉยๆได้เห็นเฉยๆได้เนี่ตัวประธานมันเริ่มลดแล้วใช่ไหมพอตอกย้ําตรงนี้บ่อยๆความสําคัญมั่นหมายในตัวเองลดลงบ่อยๆมันเริ่มเข้าสู่เขตแดนของอะไรปรามัดเบื้องต้นแล้วเห็นไหม อารมณ์มันจะตายกันไปอย่างงี้นะแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ลูปน้ำแล้วไอ้ความเข้มข้นของสำคัญมัน่นหมายตัวตนมันไม่ได้ลดลงแสดงว่าเราเห็นลูกน้ำแบบสัญญาไม่ได้เห็นลูกน้ำแบบปัญญาแต่เห็นลูกนามแบบปัญญาแล้วพวกนี้มันต้องลดตามธรรมชาติของมันแต่ส่วนใหญ่เห็นลูกน้ำแบบสัญญาคือมันไม่ได้เห็นตลอดอะ่ะพอรู้ขึ้นได้มันก็รู้สึกตัวอพอลืมพอหลงยาวเลยทีนี้ บางทลืมไปเป็นวันนะไปอยู่กับความคิดหมดนี่เขาเริ่มเห็นลูกนามแบบสัญญามันจะระลึกไม่ค่อยได้ระลึกไม่ค่อยทันแต่เห็นลูกนามแบบปัญญาหมายความว่ามันเห็นความสำคัญของตัวรู้สึกตัวแล้วมันค่อยระลึกคอยกําหนดรู้บ่อยๆปัญญาตัวนี้ก็คือปัญญาที่นําจิตกลับมานั่นเองนําจิตกลับมาเออมันคิดไปนะนํากลับมาตัวนี้เป็นโลกุตระปัญญา โลขียาปัญญานี่หมายความว่ามันคิดปรุงแต่งจิตออกไปตามที่มันกระทบแต่โลกุตระปัญญานั้นมันเป็นการดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันตัดการกระทบออกไปคนไหนทําได้มากโลกุตระปัญญาก็เจริญมากแล้วโลกุตระปัญญานี่ก็เจริญขึ้นในกําลังของสติสมาธิปัญญานะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะแต่เนื่องจากว่าถ้าเราไม่ได้อารมณ์พูดไปก็ ไม่มีความหมายอะไรเพราะไม่เข้าใจแต่เรื่อเรื่องวันนี้เริ่อได้อารมณ์แล้วอยากจะลงในเรื่องนี้เอาล่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอารมณ์รูปนามเราชัดเจนขึ้นมันก็ความคิดเป็นไงต้องระวังความคิดแล้วทีเนี้ยความคิดเมื่อก่อนมันอ่ามันหมายความว่ามันไม่ชัดเหมือนตอนที่เราไม่เห็นรูปนามพอมาเข้าใจรูปนามมาเห็นร่างกายชัดเห็นจิตชั ด, ชดความคิดมันก็ชัดขึ้นอะ่ะ เห็นความคิดได้ชัดขึ้นไอ้ตัวของเห็นความคิดเนี่ยได้ชัดขึ้นมันก็จะแยกความคิดออกได้หลายอย่างความคิดที่มันเข้ามาสู่ใจของเราเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าความคิดมันมันมีอะไรบ้างแต่พอบราเห็นรูปน้ำชัดอ๋อเหมือนกับเราไปดูสระในน้าเนี่ยหน้าฝนหน้าฝนตกน้านนในสระมันจะขุนใช่ไหมจะมองไม่เห็นตัวปูตัวปลาอะไรอยู่ในน้มองไม่เห็นนะนมันขุน อาจจพอหมดหน้าฝนเข้าสู่หน้าแล้งน้ําในสระที่มันเคยขุนมันก็เริ่มตกตะกอนเริ่มเห็นตัวปลา ต, ตัวปลาเห็นน้ําแล้วเริ่มใสเห็นอะไรที่อยู่ในสระนีะ่จีนเราเหมือนการสมัยที่ยังไม่รู้จกักรูปจากน้ําเนี่ยมันขุนอย่างนั้นทั้งขุนทั้งกระเพื่อมขุนด้วยอารมณ์ขุนด้วยความคิดมองไม่เห็นอะไรชัดแต่พอมาเข้าใจรูปนามอะเหมือนกับน้ําขุนขุนมันถูกแกว่ง สารส้มลงไปไอคขาเมาขี้ตมอะไรต่างๆมาเริ่มตกตกตกตกต ก, ต ก, ต, ก, ต, กตกลงไปน้ําก็เริ่มใส่จิตของเราก็เหมือนกันในช่วงที่มันไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรเรื่องรูปน้ําเนี่ยมันก็ขุ่นอย่างนั้นแหละพอเรามาเจริญสติดูตสติเนี่ยมันก็จะเหมือนสารส้มที่แข่งลงไปกอแก่งบ่อยเข้าเบอรเข้ามันก็ไปจับตัวไอความคิดตัวอารมณ์ต่างๆเหมือนกระตะกรมันตกลงไป อยู่เหมือนน้ำในศารที่มันถูกแสงวัตถิษฐ์เผาแผลดเผ า, านานๆแล้วมันก็ตกตะกอนลงไปมันก็จะเห็นตัวปลาตัวปลาเหมือนกันเมื่ออารมณ์รูปนามนี้ถูกความรู้สึกตัวเข้าไปแข่งไปจับไปกําหนดรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าอารมณ์ต่างๆที่มากระทบมันก็ตกลงไปมันไม่จับมันไม่ปรุงเหมือนเดิมพราเรารู้รู้ตัวเท่าทันความรู้สึกตัวเข้ามาแทนที่ความคิดความคิดมก็ตกตกตกตกลงไปเหมือนตกตะกอนเพราะนั้นความคิดใหม่เข้ามาปั๊บมันก็เริ่มเห็นชัดสิ เหมือนกับไอ้น้ำที่มันใสใสอะไรตกไปเราก็จะเห็นชัดเลยใบไม้เลยฝุน่นผงตกไปเห็นชัดพอความคิดกํะบนการพระันเกิดขึ้นมามันจะมีหนึ่งความคิดที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วผ่านไปผ่านมาไม่เป็นเรื่องเป็นลาวลักษณะความคิดแบบนี้เรียกว่าธรรมารมเป็นความคิดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดึกอันนี้นิดเตือนิดหน่อยหนึ่งดึือันนี้ิดห น, น, นึ่นนงมันไม่ปรุงลักษณะนี้เรียกว่า เป็นธรรมารมณ์ไม่ใช่สังขารความคิดประเภทที่สองบางครั้งเราเออยากจะไปทำอะไรนิดอยากจะลุกไปห้องน้ําหน่อยจะลุกอย่างไรอยากจะไปเอานั้นหน่อยจะไปอย่างไรเนี่ยตั้งใจว่าจะไปแล้วคิดไอความตั้งใจว่าจะทําในสิ่งที่เราจะทําหรือตั้งใจจะพูดในสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยความคิดประเภทนี้เรียกว่าสติปัญญาไม่ใช่สังขารเหมือนกัน หมายความว่าความคิดอันใดที่เราตั้งเจตนาขึ้นมาอย่างมีสติแล้วก็ทำให้มันเสร็จคิดว่าจะลุกก็ลุกอย่างมีสติแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำในช่วเข้าห้องน้ำก็กำหนดรู้โดยตลอดแล้ว ก, กลับมาประคองตัวเองกลับมาโดยที่จิตไม่เผลอไม่คิดไปเรื่องอื่นเลยคิดไปก็กปรู้ปั๊บกลับเข้ามาจนถึงที่ปั๊บการที่รู้ขบวนการแล้วก็ตอบสนองความคิดไปเ น, นี่ยทั้งกายทั้งอ่า ใจลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นสติปัญญาคอยระมัดระวังเรียกว่าสัมปชัญญะก็ได้นะการประคับปรอ ง, องนี่ความคิดประเภท น, นี้เป็นสติสัมปชัญญะยังไม่เป็นสังขารทีนี้ไอ้ความคิดสองอย่างเนี่ยความคิดที่ผ่านมาผ่านไปที่เป็นธรรมอารมณ์ก็ดีความคิดที่เราตั้งใจจะทำอะไรอย่างล้วก็ตั้งใจมีสมติในการตอบสนองก็ดีความคิดสองอย่างนี้ถ้าเรา หรือสติเมื่อไหร่นะมันกลายเป็นสังขารทันทีเช่นความคิดบางอย่างแวบเข้ามาเอ้วันนี้วันที่เท่าไหร่นี่เราจะกลับบ้านไดนัดลูกมาเนี่ยมันใช่วันนี้หรือเปล่าคีดปรุงแต่งไปเอ้มันผิดวันเนี่ยนัดเขาวันที่สิบสิบแปดมันมาวันนี้วันที่สิบเก้าเลยฮีดเอ้โทรศัพท์ฮีดปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆลักษณะนี้ไอทำอารมณ์ที่แวบเข้ามาเมื่อกี้เรื่องลูกมันไม่ผ่านไปใช่ไหมมันก็กลายเป็นสังขารทันทีกวนกวายแล้วทีนี้ จะโทรศัพท์ก็ไม่ได้หลวงพ่อท่านไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้ามาแจะไปข้างนอกก็ดูกระไรอยู่มันคิดเริ่มทุกข์เลยนะจากทำมารมณนิดเดียวที่มันเข้ามาแวบเดียวเราไม่ทันมันมันกลายเป็นสังขาร น, นี่คือเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยเหมือนมแมลงวันอะจับปูจับปลาที่เราเอามาวางไว้พอมันจับแล้วก็บินหนีเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่ถ้ามันจับนานๆไปไงเป็นหนอนมันไข่ใสอันนี้เราธรรมาชาตินะเนื้อเราเป็นหนอนเลย ความคิดที่มันผ่านเข้ามาแล้วถ้ามันเราจัดการกำหนดมันไม่ทันออกไปเนี่ยเดี๋ยวพอมันอยู่นานๆความคิดนั้นก็กลายเป็นเป็นหนอนละซอกบ่นซอกไอไอจิตของเราให้คิดให้ทุกเราทีเนี่ยเห็นไหมจิตเราก็จะเริ่มมีอารมณ์นั่เราจะเห็นว่าเรื่องวิวัฒนาการกของความคิดไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมันจะคิดเลยนะมันจะต้องเริ่มไว้สอง like ตัวนี้ก่อนหนึ่งตัวที่เป็นธรรมอารมณ์ผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปสองเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าขาดสติประคับประคองในการทําอนั้น มันจบการเข้าห้องน้าก็จบไปแล้วมันนั่งมันก็จบไปแล้วแต่มันไปคิดอีกอะ่ะไปคิดต่อไปเลยหมายความว่าสติสมัยยะนั้นไม่กระชับไม่หนักแน่นมันก็เผลอคิดเรื่องอื่นต่อก็กลายเป็นสังขารตัวสังขารจึงเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์นี่นั่นหมายความว่าที่อย่าลืมประเด็นเดิมนะว่า เมื่อเรารู้รูปนามแล้วเราจะเห็นความคิดชัดว่าความคิดจริงๆมันมีสามประเภทหลักๆคือประเภทที่เป็นธรรมอารมณ์ประเภทที่เป็นสติสมัมปชัญญะและประเภทที่เป็นสังขารไอ้ตัวสังขารนี่เองมันจะทําหน้าที่เป็นสมุทยัยวิเหตุให้เกิดทุกข์ประกอบด้วยวิชาตัญหาอวบทานกรรมก็ว่ากันไปนั่นคือตัวเหตุให้เกิดทุกข์นะนั้นแหะเรื่องการเจริญสติเราจะพูดในรู้สึกตัวรู้สึกตัวโดยที่ไม่รู้รายละเอียดของมันเนะ่ยเดี๋ยวมันก็ลืม นะด้วยที่อาตมาผิดพลาดเรื่องนี้มาบ่อยๆจึงมีการสอบสวนตรวจสอบว่าทำไมเราปฏิบัติมันช้าเหลือเกินมันขาดตรงไหนพัฒนายช้าเหลือเกินอ๋อเราขาดรายละเอียดและละเอียดตรงนี้ถ้านเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการองประกอบที่สำคัญที่จิตของเราจะเข้าสู่แดนของอริยมรรคหรือมรรคมรรคผลเนี่ยมันมีสองตัวประกอบใหญ่ ตัวประกอบที่หนึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรได้พบครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงเอาใจใส่จริงตั้งใจปฏิบัติและในตัวกัลยาณมิตรมีอุปรกรณ์อีกสองตัวเขาเกกรียกกัลยาณสหายคือหมายความว่าได้พบเพื่อนนักปฏิบัติให้กําลังใจแก่กันและกันไปในกลุ่มเดียวกันพูดเรื่องเดียวกันไม่พากันขวอยออกนอกเรื่องหรือว่ากัลยาณสหายคือมีเพื่อนปฏิบัติที่ ท, ที่ให้กําลังใจแก่กันและกัน นะนอกจากพบครูบาอาจารย์ที่ที่ตั้งใจให้เราแล้วนะพบเพื่อนนักปฏิบัติที่ดูแลใจใส่ให้กำลังใจกันไม่ใช่เพื่อนนักปฏิบัติที่ชนกันเขวไม่ใช่นะอันที่สกิริยานะมิตรกิริยาอันที่สามก็คือกิริยานะ่สาสำปวังกตาได้สิ่งแวดล้อมที่ดีได้สถานที่สงบได้อาหารวินบบาศพอดอีได้สิ่งแวดล้อมได้คนที่ไม่ค่อยมีปัญหา อ, อยูอ่ล้อมเราแล้วก็ได้ วิเข้าใจวิธีการวิธีการที่สอดคล้องกับเราถูกกับจิตใจของเราโดยเรามาใช้วิธีการเรียกว่าธรรมะสปายะเพราะฉะนั้นในตัวไอสัมปวังกตาตัวนี้ก็คือสปะยะสี่อาหารสปายะปุคละสปะยะธรรมะสปะยะและอาวัยสปะยะพวกนี้ไอความสะดวกสบายเ อ, อื้อให้เราได้ปฏิบัติให้เข้าใจนี่เรียกว่าสัมปวังกตา ซึ่งทั้งสามอย่างนี้รวมยงในองค์ประกอบของกัลยะาณมิตรนะอันนี้เป็นหลักการนิดหน่อยนะไม่ต้องจําก็ได้แต่รายละเอียดมันมีอย่างนี้ช่วยเราถ้าเจอสิ่งแวดล้อมเจอเรื่องอากาศอาหารเรื่องอที่อยู่อาศัยเรื่องเพื่อนเรื่องธรรมะที่ถูกเจริตของเราเนี่ยช่วยเราได้ห้าสิบเปอร์เซช่วยเราห้าสิเปอร์เซ็นแต่อีห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ย คือเราเองเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือเข้าใจในร า, ายละเอียดต่างๆในเรื่องกายก็เข้าใจเรื่องเวทนาแก้ไขบําบัดเป็นอีกห้าสเปอร์เซตถ้าสองอนนี้มาบวกกันร้100อยเปซคนนั้นเข้าสู่ทางอาริยามักแน่นอนเลยนะฉะนั้นเองในในจุดเนี่ยธรรมะของพระเจ้าต้องเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักเป็นการเหมือนกันไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆมั่วๆไปโดยที่สืบสอดต้นไปลายไม่ได้มันไม่ใช่ นะต้องต้องรู้ที่ไปที่มาของมันมีเหตุมีผลที่ตรองตามเห็นได้เรียกว่าเป็นเป็นพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าดังนั้นในจุดนี้นะให้แค่อารมณ์รูปนามแล้วก็รายละเอียดไปเยอะแล้วใช่ไหมน่ะยังไม่ต้องไปสู่อารมณ์ปรามัดกันแล้วกันถ้าไปปรมัดหนักกว่านี้อีกน่ะเอาแค่นี้บริหารแค่นี้ให้เป็นก่อนก็นแล้วกันในช่วงในช่วงเบื้องต้นเนี่ยเอาไปทําแค่เนี้ถ้าหากว่าทําถูกต้องเข้าใจ อาจจะใช้เวลาไม่นานห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันที่สิวันเข้าใจแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่ใส่ใจตรงนี้นะปฏิบัติไปสามปีห้าปีถึงเข้าใจก็ไม่ละเอียดไม่ลึกเอาใจตัวเองไม่อยู่เหมือนเดิมนะดังนั้นในจุดเนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในการที่จะเข้าใจความเข้าใจนี่เองท่านใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกต้องนะ ดังนั้นเองพู้ที่เจ้าจึงตั้ไว้ยืนยันไว้ชัดเจนว่าสัมมทิฏฐิส ม, มาธานาสัพพทุขาอุป จ, จัคุงเมื่อใดผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจขบวนการอันนี้อย่างถูกต้องขบวนการอะไรขบวนการของความทุกข์ที่มันเกิดด้วยอันนี้จังทุกขังนัตตาขาบวนการที่มาของความทุกข์เกิดจากอะไร ขบวนการวิธีแก้วิธีดับทุกที่มันเกิดกับกายกับใจเนี่ยชัดเจนขบวนการของความการกระทาวิธีการกระทาที่จะเข้าไปจัดการก็คือเห็นอะไรทุกสมมติไทยนิรบุบมากนั่นเองที่เป็นฝ่ายรูปการที่เราจะไปเห็นอริยรรสัจ4อริยรรสัจ4ีเนี่ยเป็นคาหมาย ค, ความจากัดความของคำว่าสัมมาทิฏฐิเอ๊ะสัมมาทิฏฐิของใครอะ่ะ สมาธิของหลวงพ่อหนนหลวงพ่อนี่ไม่ใช่คําว่าสมาธิที่นี่มันจะถูกบังคับว่าต้องเห็นทุกเห็นให้เกิดทุกการดับทุกวิธีการดับทุกเนี่ยให้ชัดแต่ในที่นี้เรายกเรื่องอริยสี่มาเป็นเรื่องของรูปกับนามก่อนการที่เราจะไปเหอริยสี่ของจิตของใจเนี่ยต้องมาเห็นอริยสี่ของรูปของนามก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดประสบการณ์ให้เกิดทักษะ เพรการเรียนรู้จากอยากไปสู่ละเอียดเรื่องของจิตเรื่องของอารมณ์เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนไม่มีตัวตนให้เห็นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเห็นจุดนั้นได้ก็ต้องมาเห็นในส่วนที่มันมีตัวตนหเห็นชัดนี่ก่อนคือเห็นกายเห็นเวทนาเรียนรู้กายเวทนาให้ชัดเสีก่อนแล้วมันก็จะเป็นน่าอารมณ์เห็นจิตเห็นใจโดยไม่ยากแต่ปัจจุบันนี้เราสอ น, นไปดูใจดูใจอ้าว ดูกายดูเวทนายังไม่เป็นเลยจะไปดูใจได้ไงมันก็หลงประเด็นกันอย่างที่เราเห็นน่ะนะดูใจเลยใจมันหมุนวม่ไหวมันความเร็วมันสูงขนาดไหนเรานั่งอยู่ที่คิดแป๊บเดียวไม่ใช้เวลาเลยไปไม่รู้กี่หมื่นกิโลแล้วไปไม่รู้กี่พันกิโลแล้วเห็นไหมเราสติเราไม่พอปัญญาเราไม่พอเอยตามมันทันไม่ทันมันจะไปมันจะมาเมื่อเคยอนุญาตเรามันไม่เคยขอ ทำพทาสปอร์ตวีซ่าเลยใช่ไหมไปต่างประเทศไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยมันไม่เคยทําเนี่ยไอความไวยของนามเนี่ยไปดูจิตดูจิตมันจะดูได้ไงมันก็หลงเข้าไปในจิตเลยหลงไปในความคิดก็ติวิปัสนาวติวิปุราสกันเป็นแถวแล้วนัปฏิบัติใช่ไหมพ่อเข้าไปอยู่ในความคิดหลวงพ่อเรียนบอกอย่าเข้าไปในความคิดมาอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยมาอยู่กับลูกกำนามเนี่ยแล้วก็ฟังท่านออกหรือเปล่าแค่นั้นไง เพราะะเพราะเราไม่ได้ลงรายละเอียดเหล่านี้แล้วก็ฟังไปฟันหูไปดังนั้นการที่จะเห็นคีดได้ต้องดูกายดูกายท่านเลยผูกเป็นคำสั้นๆว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมเนี่ยดูกายเห็นใจรู้กายเห็นจิตรู้คิดเห็นธรรมเนี่ยานก็มาผูกเป็นคำสั้นๆให้เราได้ทำกันดังนั้นเรื่องเหล่านี้มาเอง พยายามนะโดยเฉพาะในการไปอบรมในต่างประเทศเนี่ยก็พยายามลึกหลงลึกในเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าเขามีความตั้งใจโดยเฉพาะในสังคมในในต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นสังคมที่เป็นเหตุเป็นผลเปี่เป็นวิยทยาศาสตร์ไม่ใช่หลงสีแสงอ่าไซเศาสตร์บ้านเราบ้านเรามปนยากตรงนี้แหละที่มันใช่หรือเปล่านะเรไปติดเพราะเราสอนสมาธิกันเยอะนั่งสมาธิกันเยอะและสมาธิเนี่ยมันไม่สมดุลกะ ปัญญาไม่สมดุลกับสติสมาธิก็เลยกลายเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไปเป็นเรื่องของเจ้าเรื่องขององค์ของทรงของเจ้าเรื่องของขังศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์เรื่องของอำนาจดิเดตปริหาร น, นิมิตไประเบิดระเบ้อเลยมันก็เลยกลายเป็นมิจฉาสมาธิแต่ที่เป็นสมาสมาธิก็คือตัวที่มากำหนดรู้ในปัจจุบนันร่วมกับสติสมาสมาธิต้องทำงานร่วมกับสติ ถ้าหากว่าเราตั้งสติก็มีสมาธิอยู่ในตัวบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเจริญสติแบบนี้จะไปนั่งสมาธิได้ไหมเนี่ยใช่ไหมมันสับสนแล้วนะขณะที่ตั้งสติมันก็มีสมาธิอยู่แล้วจะไปนั่งพิเศษอะไรลำบากแต่ถ้าหากว่ากําหนดสติแล้วไม่มีสมาธิอันนั้นก็เป็นมิจฉาสติอีกไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสติต้องมีตัวสมาธิอยู่ด้วยสัมมาสมาธิต้องมีตัวสติอยู่ด้วยถึงจะไปด้วยการเหมือนขายซ้ายและขาขวา ทุกวันนี้เรเดินขาเดียวอ่ะเออมันก็เลยไปไม่ถึงไหนน ะ, ะเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งเนี่ยสติไม่ได้แปลว่าสงบสติแปลว่าความตั้งมั่นของจิตนะเรียกว่าสมาหิโตความตั้งมั่นเรานั่งอยู่ตรงนี้เรารู้สึกอยู่ตรงนี้เราเห็นชัดอยู่ตรงนี้มันก็เป็นสมาธิแล้ว สมาธิที่เราเข้าใจกันคือสมาธิจะไปสร้างจินานาการเข้าไปในความว่างเข้าไปในความสงบเข้าไปในความอ ะ, อะไรอีกมิติหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่รู้สึกตัวมันไปรู้ในอีกอันหนึ่งเอามาเคยเป็นละสาาถานที่เข้าฌานเข้าสมาธิเนี่ยสร้างจินานาการมันก็หลุดเข้าไปในมิตินั่นเลยนะมันมันนิ่งมันสงบมันลึกมันโอ้อลังการมากนะสามารถที่ตัวนี้หายไปได้เลยอ่ะ ไม่มีตัวเลยเข้าสมาธิระดับนั้นหายไปเลยเห็นแต่ความว่างตัวเองก็เห็นความว่างอ้าวลืมตา ม, มาแล้วก็นั่งอยู่ที่เดิมอยู่เลยเพราะนั้นหมว่อเดียนท่านจึงไม่สนับสนุนในการหลับตาทํอย่างเงียเพราะมันจะเข้าไปฉุกมิจฉาสมาธิแต่มาทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งกายทั้งใจทั้งรู้สึกตัวตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอะไรมาก็ากระทบก็รู้จิตไม่อ่า สะเทืไม่หวั่นไหวเพราะกับสิ่งที่กระทบมันรู้สึกตัวยอยู่ปัจจุบันนั่นคือการทํามาของทํางานของสัมมาสติสัมมา ส, สมาธิอยู่แล้วในตัวแล้วจะไปหลังเลแต่ถ้าหากว่าคนที่ทําสมาธิมาเยอะม า, มากๆเนี่ยก็ต้องหลังเล่เป็นธรรมดาตพอาการที่จะสละสมาธิที่เป็นพบแบบนั้นเขาเรียกว่าอารูปพบนะ มันไม่ได้จะเป็นสมาธิเป็นอีกภพภบพบหนึ่งที่มันไม่มีรูปก็คืออยู่ในภพของความสงบความใสความสะอาด ค, ความนิ่งที่เขาสอนก็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ก็สนิมิดใสๆเนี่ยไม่ต้องไปรับรู้รูกนามอะไรชัดมันเป็นสมาธิที่ไม่เอื้อต่อวิปัสสนาเป็นสมาธิที่นําไปสู่อีกมิติหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นรูปภพนะนั้นเรื่องเหล่านี้ เราจะต้องทําความเข้าใจเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีศรัทธาและความมั่นใจในความรู้สึกตัวชัดขึ้นเมื่อความมั่นใจในความรู้สึกตัวชัดขึ้นเราก็จะเริ่มลงลึกในรายละเอียดคำว่าลึกในรายละเอียดไม่ใช่ไปนนั่งคิดนั่งลึกนั่งวิเคราะห์วิจัยนะแต่ลําดับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของกายของเวทนาให้ชัดเช่นเรานั่งมานานรู้สึกเป็นไงขัดที่เอวหนักหน่วงที่เอวใช่ไหมก็ให้ลึกลึกรูก้แต่ถ้าเราขายสติขายสมัมผัสย่าเป็นไง ก็ค่อยแช่อยู่งั้นแหละแช่ไปจนกระทั่งมันเหน็บมันหนึบนน บ, บางคนพอเสร็จงานแล้วลุกไม่ได้เลยอ้าวการผ้าพ้องกันกลับไม่ได้เลยขาติดหนึบเลยอ้าวมันเกิดเมื่อไหร่ถ้าไมัไม่รู้อะ่ะเพราะสติ ส, สมิญญาไม่มีโดยเฉพาะคนใหม่ที่ยังลงไม่ลึกนึแต่สําหรับคนที่มีประสบ ก, การณ์แล้วเราก็จะลึกรู้แล้วก็เปลี่ยนไปก็ช่วยเขาหน่อยแค่นั้นเองช่วยเขานิดเดียวแต่ส่วนใหญ่เราเขี้เหยียดช่วยเนาะมันปวดกปวดอัอย่างงี้แหละ จะอดเอาทนเอาก็ถือเป็นคันติความบก ท, ทนอย่างหนึง่งมันไม่ใช่อันนี้คือการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองทําให้ตัวเองลําบากแต่ว่าสิ่งเล็กๆ น, น้อยๆเหล่านี้เราก็มักจะไม่ค่อยเห็นกันเพราะว่าขาดการย้ําการเตือนเวลาครูบาอาจารย์ท่านมาบอกมาสอนท่านก็ไปทำมากไกลๆลึกๆสูงๆนู่นไอนสิ่งที่เราเห็นชัดๆตรงนี้ท่านก็ไม่ไม่ได้พูดถึงท่านก็นึกว่าเรารู้แล้วไงท่านรือไม่ค่อยบอก แต่มาเองไมองอ่อย่างงั้นเพราะได้กับตัวเองเออว่าเราไปอ่านหนังสือศึกษาธรรมะลึกๆอาจารย์ดังๆแต่ไอการจะลุกจะนั่งจะยัง่งตะเดินเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองเลยแล้วธรามจะลงได้ไงเพราะว่าเราลู่นาวิ่งไม่มีเลยอะ่ะไอสิ่งที่ท่านว่าไว้มันเป็นปรมรัดอ่ะ เนื้อหาสาระธรรมะที่เราไปอ่านมันเป็นปรมัตาทั้งนั้นเลยแต่ลูปนามของเราไม่รู้ไม่ชัดเลยเราเอาปรมาท์ไปลงตรงไหนอ่ะเหมือนเราจะปลูกต้นไม้ไม่มีดินเลยอะไม่มีน้าเลยเราจะปลูกลงตรงไหนคสมัยนี้เขาปลูกในกระถางแล้วนไม่ต้องใช้ดินอันนี้ก็ว่ากันอีกแบบหนึ่งดังนั้นเรื่องของการปฏิบัติพยายามทบทวนนี้อย่า ก, กลัวว่าเสียเวลาโอ้รูกนามฉันรู้มานานมันรู้ว่าผผ่นไม่ได้รู้แบบละเอียดลึกลงไปดังนั้น การลุกการนั่งการย่างการเดินการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวแต่ละขณะมีความสําคัญมากถ้าคนไหนมีความแยกคายมีความละเอียดตรงนั้นเรียกว่าทําในส่วนของตัวเองใหเปอร์เซตมีความแยบคายให้จำเอาไว้ว่าคําว่าความแยกคลายไม่ได้หมายถึงการนึกการคิดการปรุงกันต่างแต่การวิเคราะห์วิจัยแต่หมายถึงการลําดับการเคลื่อนการไหวของกายได้ละเอียดลําดับการเคลื่อนการไหวกัน เข้มการจาง ก, การเข้มของเวทนาได้ชัดตรงนี้เขาเรียกว่าโยนิสุมนสิการนะนา้ยยมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมะนั้นไม่ยากเลยขอให้เราทำให้ตามลำดับเหมือนการขึ้นบันไดเนยเหมือนการขึ้นบันไดความรู้และความหลงต้องมาด้วยกันนั่นแหละนะบาใดที่เรายังอยู่ในอารมณ์รูปนามเนี่ย ความรู้ความถงสลับการเกิดการดับอยู่อย่างนี้แต่พอไปสวมประมัดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันกินพื้นที่ของร่างกายและจิตใจได้มากขึ้นเปรียบเสมือนผ้าที่มันชุ่มทั้งผืนเมื่อสเก็ดไฟตกลงไปไฟนั้นมันก็ไหมไม่ได้แต่ถ้าหักจากอารมณ์ ตัวนี้เข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งว่าไฟมันตกใส่น้ำมันดับเองสเก็ดอารมณ์ต่างๆที่มาทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เมื่อมาตกสวยยัตนาทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันดับของมันเองมันไม่ปรุงแต่เราไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นแค่ว่ารู้ทันว่าเออฉันคิดแล้วนะแล้วก็รู้ว่าออฉันกาลังคิดอะไรเท่านี้ก่อนให้รู้ชนานาญแค่นี้ก่อน ไม่ถึงก็ว่าไฟตกใส่น้ำใครตกใส่ผ้าชุ่มๆก็ยังดีนะมันก็จะไม่ไหม้ทั้งผืนอันนี้ความคิดตกใส่ใจปับ๊บไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวไหม้ไปแล้วลูกลามไปไม่รู้ไกลขนาดไหนนะยังดับไม่ทันเหมือนไฟไหม้ป่าเพราะตกไปปับ๊บรู้ดับมันปุ๊บอ่าเอาแค่นี้ไว้ก่อนถ้าทำตรงนี้ให้ชัดเข้าใจให้ชัดกลับไปทางานกลับไปบ้าน โอ้สนุกในการปฏิบัติธรรมขยันขึ้นเก่าเก่าพอยิ่งทำด้วยยิ่งเห็นตัวเองนะดังนั้นเนี่ยมาก็ไม่ได้หวังว่าคุกจะเข้าใจในสิ่งนะี้แต่บากคนอาจจะเข้าใจเห็นชัดนะฉัะนั้นเรื่องของการปฏิบัติเราส่วนหนึ่งที่มาอยากไปทำต่างประเทศเพราะว่าสมมติเข้ามาสิบคนเนี่ยเขาก็สนใจกันทั้งสิบคนเลยนะเพราะต่างคนต่างลงทุนสูงอะ่ะลา ง, งานมาแล้ว มีการงานชั่วโมงแพงขนาดไหนอ่ะทําวันเดียวเท่ากับเราทําทั้งเดือนเพราะฉะนั้นเขามาด้วยทุนสูงว่าเขาต้องตั้งใจเอาแต่เราทั้งหลายเนี่ยบางทีเราไม่เห็นคุณค่าของเวลาทําบั่งเล่นบั่งกินมาโซทนามาพกมิตรฝุนฝุงว่าได้มาแล้วก็แล้วมาสองสาวันก็มีไม่มีความตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจมาศึกษาปฏิบัติถ้ามาก็เน้นเข้มหน่อยก็ไม่เอาแล้วลูกหนีไปเดินทางอื่นไม่เอาไม่สบายนะ เพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยบ้านเรามันถึงช้าเนี้ยเพราะความตั้งใจมันน้อยไปเนี่ยก็จึงอยากจะให้เห็นความสมําคัญในวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะเรามีเวลาสองสาวันเนี่ยก็<ข> อ, อยากจะให้ลงลึกในรายละเอียดเหล่านี้แล้วการนั่งปฏิบัติจะยาวขึ้นกว่าเดิมนะเพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นอย่าไปบอกเออมันโหดไปนะมันเคร่งคัดไปนะมัน ึงไปนะอันนั้นเป็นข้อแค่ตัวของกิเลสทั้งนั้นแหล ะ, ะถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เขานั่งปฏิบัติกันเก็กบอารมณ์กันทีได้สิวันที่เดือนนึงเนี่ยมันคนละเรื่องเลยแล้นั่งแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าเราไปเก็กบอารมณ์นั่งปฏิบัติทีน่นี้ทั้งวันเลยนะจากตี4ี่ยันสามทุ่มแต่เรายังมีกิจกรรมสลับไปสลับมาไม่มีอะไรหนักหน่วงหรอกสบายๆแต่ว่าความที่เราไม่เคย เราไปปฏิบัติที่ไหนตามงานต่างๆมาไม่ค่อยไปถ้าว่าไม่ตั้งใจกันทำมันเสียเวลาเรานะคนอื่นที่มาก็มาแล้วกลับไปก็ไม่ได้อะไรเสียเวลานะฉะนั้นงานไหนที่มามั่นใจว่าจะไปดูแลได้แล้วก็กํากลับได้อะไปเพราะนั้นอย่างน้อยในร้อยคนเนี่ยรู้สักห้าสิบคนก็ยังดีหรือห้าสิบคนรู้สักสิบคนยี่สิบคนก็ยังดีคาว่ารู้หมายความว่ารู้สึกสนุกขึ้นในการปฏิบัติขยันขึ้นในการปฏิบัติ ไม่ทิ้งไม่ปล่อยมีอารมณ์อะไรมากระทบก็รู้สึกยับยั้งชั่งใจได้นะตั้งสติได้อันนั้นเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วแล้วคนที่เข้าใจเห็นอ น, นิสองส์อย่างนี้แล้วเขาจะมีการไปสืบไปพัฒนาของเขาเองนะอันนั้นเองก็ในเรื่องของการนําเสนอเป็นการให้ข้อมูลในส่วนของกิรยาณมิตอ่านะให้ข้อมูลในส่วนกิริยาณมิต ดังนั้นในช่วงปฏิบัติในตอนกลางวันเนี่ยก็ไม่ขออะไรมากแต่เพียงขอความร่วมมือในการปฏิบัติเพียงแต่ไม่พูดคุยกันมากเกินไปและการเคลื่อนไหวก็ให้ช้าลงกว่าเดิมหน่อยหนึง่งอ่าแล้วก็การเข้าการออกตรงตามเวลาเป็นเรื่องสำคัญพอมาไปไปทำงานต่างประเทศเรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญต้องเป๊ะเป๊ ะ, ปะบ้านเรานัด ก, กันก็ต้องเลทึปครึ่งชั่วโมง อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมันมันใช่ไม่ได้นะตอนนั้นเราพยายามทําเรื่องเบื้องต้นให้มันชัดก่อนเลื อ, อกเคารพกติกาอะไรที่มันเป็นเบื้องต้นเนี่ยเรียกว่าศีลทําศีลตรงนี้ให้มันชัดก่อนแล้วสมาธิแล้วปัญญามันก็จะตามมานะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้นําเสนอเรื่องนี้เพื่อที่เราจะไปหารายละเอียดของเราภายในสองสมวันนี้ในแต่ช่วงเวลาแต่ละขณะไม่ใช่ว่าตรนที่มานั่งเข้าปฏิบัติต ร, ตรงนี้เท่านั้นนะ แม้เราจะปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวไปสู่ห้องน้ําห้องสุวมหาปักอาหารเข้าที่พักที่นอนให้รู้อยู่เป็นส่วนใหญ่อให้มันเผลอในน้อยหน่อยถ้ามันเผลอคิดก็รู้ทันทีเออฉันคิดไปแล้วนะอ่าโอ้ฉันคิดยาวไปนะที่จะไม่ให้คิดไม่ฟุงมันเป็นไปไม่ได้หรอกในระดับอย่างโยมปฏิบัตินี่นะแต่ให้มันเผลอในน้อยหน่อ ย, อยมันคิดนในน้อยหน่อ ย, อยมันคิดสั้นๆห น, น่อยให้รู้สึกตัวเยอะๆ ก็แค่นี้ก็น่าพอใจแล้วนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่นำเสนอแล้วก็ขอให้คนที่ตั้งใจเนี่ยมันสามารถเห็นรูปเห็นนามเห็นกายพันใจให้ชัดเจนจนเข้าใจตัวเอง ดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกได้สามารถปลูกสติสัมมชัญญาให้ตัวเองได้ตลอดเวลาทุกคนทุกท่านถือ